どこから、どこ จะแล้วจะดีมีทุกคนบนไปกันไปในหนึ่งคนผิดถูกก็ไม่รู้ก็มีแต่เราที่รู้ตัวเองอยากตัดสิ้นแค่ได้ยิ้นไม่ได้เห็นเปลี่ยนองค์สาบเปลี่ยนมุมโมงกันเถิบหน้าพิจารณาพิจารณา Pitarana, Pitarana, Pitarana. よまわんきって言ってたね。